ขอบคุณหรือว่าเราลึกถึงความดีเราลึกถึงบุญคุณของสประสิ่งแล้วก็ตอบแทนด้วยการอุทิศส่วนกุศลไปให้แต่ถึงแม้จะมีบางคนไม่ได้ทำดีกับเราแถามยังเอาเปรียบเราโกงเราเราก็ไม่โกรธเคืองนะเราก็แผ่ไปให้เหมือนกันอนทีศส่วนที่1 น, นะของปณิธานหรือจิตวิญญาณชอบพุทธเนี่ยอีกส่วนหนึ่งนะก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจนะที่จะ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 คอยเป็นปัจจัยไปสู่พระนิพพานแค่นั้นแหละสั้นๆแต่คนสมัยนี้เนี่ยเราเราไม่เห็นความสาคัญของนิพพานละเราอยากจะรวยเราอยากจะมีชื่อเสียงเราอยากจะประสบความสาเร็จเราอยากจะสอบเข้านะที่นั่นที่นี่ได้คิดแต่เพียงแค่นี้แหละเวลาไปบินธบารเนี่ยนะหรือว่าเวลาที่โยมาทำบุญเนี่ยโยมาถวายสังฆทานจะสังเกตเห็นนี่นะการอธิษฐานหรือการขอ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 แค่นี้นี่เรายัางปล่อยวางไม่ได้นี่แล้วจะไปถึงนิพพานได้อย่างไรอันนี้คือเหตุผลประการหนึ่งนะที่ที่ที่เราควรนะยึดเอาพระนิพพานเป็นจุดหมายนะของชีวิตหรือเป็นหมุดหมายเนะี่ยที่เราจะไปให้ถึงส่วนจะถึงหรือไม่ถึงเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับว่าเวลาเราเจออุปสรรคเจอปัญหาต่างต่างเนี่ยไม่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะก้าวข้ามมันไปได้ง่าย